18. ปพระติสาเถรีพระธีราเถรีพระวีราเถรีพระมิตา ร, พพราเถรีพระพัตราเถรีพระอุปสมาเถรีพิกุณีผู้เคยเป็นพระสนมของเจ้าชายสิทธัตถะชาสุดท้ายทั้งหกท่านนี้เกิดในกรุงกบิลพัฒ์จเจริญวัยแล้วได้เป็นพระสนมของพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะออกบวชพร้อมกับพระมหาปชาปดีโคตมีวันหนึ่งขณะปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงแผ่พระรัศมีมาให้โอวาดแก่พวกนางว่าดูก่อนติดสาเธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลายคือเจริญสมถะและวิปัสสนาขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะล่วงเลยแล้ว จะต้องเศร้าโศกแออัดกันอยู่ในนรกดูก่อนธีราเธอจงสัมผัสนิโรดอันเป็นความสงบระงับสัญญาอันเป็นสุขจงทำพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมให้สำเร็จเถิดดูก่อนวีราภิกษุณีผู้มีอินทรีย์อบรมด้วยวิรธรรมทั้งหลายชนะมารพร้อมด้วยเซนามารแล้วดารงไว้ซึ่งกาย ที่มีในพบสุดท้ายดูก่อนมิตรตาเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในกัลยาณมิตรจงเจริญกุศลอริยมรรคเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะดูก่อนพัฒราเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในธรรมที่ดีงามจงเจริญกุศ ล, ลธรรมคือโพธิปักขียะธรรม